เซขาปฏิปทาทรมิกถาก่อนฟ้าสางวันที่9มกราคมพศ2547เรื่องบูรณาการแห่งพรมมจันย์โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยอาที่มันจะคิดเป็นก่อาแต่ก่อนคิดเป็นมันไม่เป็นแต่ก่อมันคิดเก่งแต่ก่อนมันคิดเก่ง แต่พราะถ้าเริ่มมีสมาธิหน่อยมันจะคิดเป็นคิดเป็นกับคิดเก่งก็ไม่เหมือนกันนะคิดเก่งคิดสเปตปะไม่ได้เรื่องใดเราคิดที่ทําอะไรก็ทำหาเหตุหาผลยากแต่คิดเป็นภาสายพุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นยอดแห่งการศึกษาที่เราจะเป็นนักศึกษาเนะี่ยต้องคิดให้มันเป็นภาสายพระธาราท่านบอกโยนิโสมนัิการ กระทาไว้ในใจอย่างแยบคายโกลมาทับอีกแล้วคนจะโมงแคบคิดเป็นที่อะ่าไรอย่ายมพระสง์ลองคิดหนึ่งอุปายะมนสิการช่วยปลกแกแกโกลดังเข้ามาทึงฟังดีนะอุปายะมนสิการสอง ประทะมนุิการคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบสามการณม์มนสิการสี่อุปาทะมนศิการเอาง่ายๆคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดมีเหตุมีผลคิดปลกเรากู้สนทำคุณนามความดีให้เกิดขึ้นกับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับช่วเป็นดีได้ ไม่ใช่คิดทิงคิดควา้างนั่งสมาธิอยู่ตรงนีถ้ถ้าไม่ได้บอกให้เราไม่คิดนะคิดคิดไปแต่จะคิดให้มันเป็นคือพัฒนาพัฒนามนโนกรรมไม่ใช่เกิดมาเพื่อจะทำมาหากรรมจางเดียวนะพุทธศาสนนยังยังสวัสดเกิดมาแล้วต้องมาพัฒนากรรมจกอกุศลกรรมกรรมชั่วพัฒนามาเป็นกุศลกรรมกรรมที่ดี เคยคิดชั่วๆแต่มามาคิดใหม่ให้มันเป็นการคิดดีเมื่อคิดดีมันจะพูดดีมันก็จะทำดีก็จะได้รับผลในสิ่งที่ดีที่งามขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมานั่งตรวจสอบตนเองอยู่ตรงนี้แหละตัวเองนี่แหละจะเป็นโจทย์สองชั่วโมงและตัวเรานี่แหละจะเป็นจำเลยสองชั่วโมงมานั่งมาตั้งแต่ตีสองมนเอและตัวเรานี่แหละ จะเป็นอายาการผู้ส่งฟองและเรานี่ยจะเป็นผู้พิพากษาตัดสินท่านงทายท า, านาอยู่ที่นี่หมดอยู่ที่ตัวเรานี่แหละมานั่งมานั่งตรวจสอบนะให้มนคิดไปเถอะแต่ให้คิดดูวยกันสงบแล้วสมาธิตัวนี้จะเป็นตัวโบราการสินและปัญญาเช่นเดียวกับ เมตตาแต่เป็นตัวบุรณการทานแลสินมุ่งพูดบุรณการต้องบุรณการกับวัตรลอดให้เข้าใจตัวอินทิเกชั่นอยู่ตรงนี้ทีนี้เอามันเข้าใจชัดกัไปอีกทั้งฝ่ายวงนอกและวงในเท่าที่เวลาแล้วจะมีเมื่อสมาธิสำคัญขนาดนี้เราจะต้องมาทำความเข้าใจให้ชัดจึงจะกลายเป็นสมาธิทิศ เป็นเริ่มต้นของทางสายกลางดังกล่าวแล้วว่าถ้าไม่มีสมาธิต่ไม่มีทางสายกลางถ้าไม่มีทางสายกับสายกลางการดัดทุกความเจริญในศาสนานี้จะมีขึ้นไม่ได้ธรรมดาพุทธศาสนาถือว่าปัญญาเป็นยอดคือความเข้าใจปัญญาจึงมา่อนระดับสมาธิธ น, นี่นี่จะเป็นรางเง่าเผ่าพันุของคุณงามความดีอยา่างอื่นและสุดยอดสุดเมื่อเจริญถึงที่สุดก็คือการเจริญด้วยปัญญาอปมัตติกาโฆพิคเวได้ที่ทางวัฏฐานิปทานิอปมัตติกาโฆพิคเวได้ที่ทางวัฏฐานิโพคานิปทานิพิสูจทั้งหลายขึ้นชื่อว่าความเจริญ ความเจริญด้วยโพคะโพคทรัพย์เงินทองมันมีค่าน้อยแต่ว่าอภมมติกามีค่าน้อยมากแต่เอตทักขังพิกเวญาที่ทางปัญญาวุ ธ, ธิแต่ความเจริญที่สูงสุดเลิศที่สุดคือความเจริญด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเธอจึงหลายพึ ง, งเสนอว่าเราจะเป็นผู้เจริญด้วยปัญญา เข้าใจข้อที่คิดเข้าใจจิตที่ทําเข้าใจคําที่กล่าวความเสื่อมก็เหมือนกันปริหารานิพิกเวะอภัตติกานิพิกเวปริหารานิญาทิทังโพคานางปริหารานิปริหารานิพิสุตังหลายขึ้นชื่อว่าความเสือ่อมความเสื่อมด้วยโภคะเงินเงินทองมีมีโทษประมาณน้อย แต่ถ้าความเสืมม่อมทางปัญญามีโทษที่ร้ายแรงที่สุดชื่อว่าเป็นยอดแห่งความเสื่อมทั้งหลายเห็นไหมประเทศไทยเราเสื่อมด้วยโภคภัณเป็นนี่ IMF นึกว่าเสื่อมมากแต่พระจะมามาเดียวๆใช้นี่หมดแล้วแต่ถ้าบัญญาเสื่อมมันจะซุดลงกว่านี้ท่านึงให้พระนี่ไปสอนคนให้คนมีปัญญาไม่ได้เอาเงินเอทองไปหาแจกแจกจ่ายชาวบ้านพิษตะเป็กของพระเป็นอย่างนั้น ที่นี้ปัญญานี่แหละเป็นตัวยอดแห่งความเจริญสัพเพธรรมาปัญญุตลาในศาสนานี้ในพมจานี้ปัญญาเป็นยอดสุดของธรรมทั้งหลายแต่ทําอะไรก็ต้องเริ่มต้นด้วยปัญญาสว่วนปัญญามีหลายระดับปัญญาด้านลงมือกระทำและปัญญาขั้นที่เป็นผลถ้าขั้นที่เป็นผลจากการกระทําชื่อปัญญา ปัญญาที่เริ่มลงมือกา ร, การทำเนี่ยได้ยินได้ฟังจากแหล่งปรตโคโะจากรย์กันแล้วก็นํามาคิดเนปะ็ใจอ ย, ยู่ในสังฆาัยแล้วลงมือการทาปัญญาจะแตกแตกินแต่ก้างเป็นหมาเป็นผนขึ้นมาจะกลายเป็นหยาดพูดง่ายว่าปัญญาระดับแรกที่ปัญญาไปได้ยินได้ฟังแล้วมาคิดแล้วมาลงมือการทาก็เหมือนข้าวปลูกเหมือนเมล็ดพันธุ์พืชอย่างกินไม่ได้มีจํานวนน้อยแต่เอามาปลูก มาขายายพันธุ์เมื่อพันธุ์มันเจริญแล้วได้ข้าวเต็มยุ้งเต็มฉางตอนนี้กินได้ล่ะคือปัญญาและญาณมันจะพัฒนาใหม่นี้เข้าใจข้อที่คิดเข้าใจกิดที่ทำเข้าใจคำที่กล่าวเราจะต้องมาเสีเวลากันอยู่ที่นี่พร้อมเพียงกันโดยเฉพาะนักเรียนนิสิตนักศึกษาจะมาเริ่มเข้าคอเสเซกปฏิบัติานี้จุดใหญ่ใจความอยู่ตรงนี้ ตรงที่จรณะในในจรณะนี้หัวใจใหญ่ของจรณะอยู่ที่สมาธิที่เราจะต้องทําเพราะตัวสมาธิเป็นตัวบูรณาการของพมจันทั้งของพระแล้วก็ของโยมของโยมท่านเห็นว่างจา่าโยมนี้มีงานมีการมีหน้าที่รับผิดชอบมากมีเครื่องกำลวงมากอยู่ในบ้าน ถ้ายิงลดรามาใ ห, ให้ให้ภาวนาเมตตาเมตตาจิตตันจะภาวเยอเตธามีภาวยิตตบวาตโยสุขังสมุทัยอะพยาปัะชังสุขังโลกังบันติโตติปุจจะติบันดิตพัฒนาธรรมสามประการนี้คือทานการประพฤติตกรรมสม่ำเสมอด้วยศีลและพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาให้ใหเกิดภาวให้ ให้เกิดเมตตาบังดีพัฒนาดีต่อกันแล้วเมื่อพัฒนาธรรมทั้งสามประการนี้เกิดขึ้นแล้วตะโยสุขังสมุทัยเย่ธรรมทั้งสามประการนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความสุขอัพยาปาชังสุขังโลกังบันดิตโตติปมุจิติบันดิตเช่นนั้นแหละจะเข้าถึงโลกที่ปราศจากความเบียดเบียนมีแต่ความสุขคำว่าโลกในที่นี้คงหมายถึงสังคมถ้าสังคมไทยมีธรรมสามประการนี้จะเข้าแใจ ถ้าคนไทยนั้นจะเป็นสวรรค์ที่สดมีการให้อื้อเฟื้อแปกปันมีการประพฤติซื่อตรงต่อกัรด้วยสินและก็มองกันในแง่ดีโพสิฟ ท, ทิ้งขิงมีเมตตาปา น, นีบาดตะนาดีวังดีต่อกันสังคมนี้จะมีแต่ความสุขจึงบอกว่าตะโยสุ ข, ขังสมุทเยอภยาปัจฉังสุขขังโลก บันติโตติบุญจติบัณฑิตเมื่อพัฒนาทำเหล่านี้ขึ้นมาแล้วจะเข้าถึงโลกที่ปราศจากความเบียดเบียนเป็นโลกที่มีแต่ความสุขหมายถึงสังคมถ้าสังคมเรายังยัา ง, างจานวนสี่ห้าร้อคนนั่งอยู่ตรงนี้เรามีทำสามประการให้ครบแล้วจะเป็นสังคมชุมชนที่มีแต่ความสุขและไม่เบียดเบียนกันทั้งการทั้งบาจารทั้งแก่ทีนี่ขยับสูงขึ้นมามนสู่จํานวนสมาธิของพัะถ้าสมาธิมีพัฒนาแล้วมันจะพัฒนาคุณธรรมทั้งเอือ้นตามมา เมตตาปาเนี่มันจะวิ่งตามมาเป็นทุกวนถ้าจิตใจมีสมาธิพลังงานของสมาธิจะลังออกมาเป็นกรุณาตาจีนได้ว่าพระพุทธเจ้าท่าอรหันต์ทั้งหลายท่านทํ้เราทำงานมากกว่าเราท่านไม่ได้ทําด้วยความปาถนาด้วยความหวังด้วยความอยากแต่ท่านทําด้วยพลังกรุณาซึ่งมันเกิดมาจากสมาธิหวังจะช่วยให้พ้นจากโทษจากปัญหาจากทุกข์ ท่านทำไปไม่มีความสุขม่ไท่านทำไปไม่มีความทุกข์ไม่ได้ความสุขเตเวกาเดนปาเจนติพมเจริญโยขั้งสุขันติมีความสุขอย่างลงสุขของจานทร์อ้าเวลาเราเลือยู่สามสินาทีเข้ามาสู่ประเด็นสมาธิเพื่อความเข้าใจยิ่ ง, งขึ้นต้องตั้งใจฟังนะถ้ามีกระดาก็เอามาไวาจด นักศึกษาทั้งหลายอย่ า, ยาฟังให้มันเข้าหูซ้ายออกหูข ว, ว, ว, วาเขาไปแสดงทงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยพวกฝรั่งเขาจะฟังมากแล้วจดพอเรานั่งเฉย้ยรู้แล้วหูโหดบอกฝรั่งในเขาจ้อกั้งกอบใส่หูคนใหม่ๆเราไม่คิดว่าฝรั่งจะฟังเทศดีขนาดนี้ก็เลยบอกบอกบอก ออยู่มาดีด้วยอินชันอินเทนชันทูลิสต์นังดมีโซลอนหาโนสติกอังกฤษไม่มีอิส r นอร์ชัวร์อพรอนเชันตั้งใจฟังให้ดีนะนานเลยนะฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะบางทีมันอาจจะออกเสียงไม่ชัดเจนเพราะมันไม่ใช่ภาษาพอ่อภาษาแม่ของฉันฝรั่งกังกอบเลยตัง้งโค อปันีว่ไปขึ้นเลยพอเห็นฝลั่งคํามือตั้งหูฟังอย่างนี้เรามานึกถึงที่พุทธเจ้าบอกครับทาตัวให้ดีให้พระสงฆ์ได้ทําตัวให้ดีดีมีศีลอันงกงามมีวัดอันงดงามจะทําให้จิตใจชาวบ้านผ่องใสรับผิดชอบต่อจิตใจของเขาเขาได้เห็นแล้วเขาจะเริ่มใส่เมื่อเขาเริ่มใส่เขาเกิดศรัทธาศรัทธาแล้วเขาจะเข้ามาหา ศรัทธาชายเตปะยิโรปัสานะเมื่อเขามีศรัทธาแล้วเขาจะเข้ามาหาเมื่อเขาเข้ามาหาแล้วเขาจะอุปสรรคกรมะนะเขาจะมานั่งลงใกล้เมื่อเขามานั่งลงก็ใกล้แล้วเขาจะโสตาวทานาเขาจะเงียนโศลงฟังเราจะพูดอะไรเขาจะฟังอ้เราเราไม่กว่าแต่ความนั้นไม่มันไม่มีเครื่องขยายเสียง เขาจะต้องโซตาวทานาเปลว่าเงเงียงสศกรงฟังแต่สมัยนี้คงจะไม่มีอย่างนั้นแต่ที่ไหนได้ไปถึงเมืองฝรั่งมันเอาอย่างนี้เลยโอ้มีจะดตัวนี่ป่จจะไม่ว่าจะไม่มีจริงๆแล้วรประกาศมาจดแต่มผมพูดรื่อย่าง เ, เรื่องที่เราก็เราจะพูดยในหละกอดเห็นว่าฝรั่งเขามีระบบระเบียบดี เขามีสิ้นแล้วยังขาดสมาธิออกมาต่อยอดนะเขาพอพูดเรื่องเรื่องสมาธิภาวนา I must be I would like to to talk about meditation development for e v e r y body to listen ฉันใครจะพูดเรื่องสมาธิภาวนานะเพื่อท่านทลาได้ได้ฟังจดอัประกาวมาจกลายฝังคิดว่าพูดอะไรเขียนเขียนเขียนพอเราพูดไปว้ พลังบอก please slowly slowly ได้โปรดเถอะช้าๆนอนช้ๆนาๆนอนจนไม่ทันวันที่คูยไปแล้วเขาพูดอีโอ้ผนฟังขาวปันในต้นหนึ่งว่ามูอห้าในไว้รับไปพร้อมโกลนพร้อมเป็นตัวตะเกียบจะดีเลยอ้าเาข้ามาสู่บูลณาการของพรมอาจารย์ของพวกเราโดยใช้สมาธิเป็นตัวกลางเป็นตัวแปร เป็นตัวบูรณาการที่เราจะต้องเสียเวลามากมาที่นี่แล้วฟังการพูดการฟังอย่างอื่นหาเรียนฟังที่ไหนก็ได้แต่การการะทำอย่างนี้ไม่มีมหาวิทยาลัยที่ไหนเขาสอนกันหรอกมิไต้ของพวกเราเนี่แหละเอาอะไรจดจำไว้เล ย, จจเลยทาความเข้าใจเบื้องต้นพระพุทธเจ้าสอนมากคือเรื่องสมาธิถ้าเห็นพระ องค์เดียวก็ตามหลายองค์ก็ตามท่านจะเน้นเรื่องสมาธิจะตัดโซ่พิกเวสมาทิงพเวทตั้งแต่สององค์ขึ้นไปพิสูจทั้งหลายเธอจงเจริญสมาธิเถิดสมาฮิโตจะท่าบูดังประชานะติเมื่อจิตของเธอตั้งมั่นแล้วเธอจะตามรู้ตามเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงนี่เมื่อเห็นพระท่านซ้อนี้ ถามถ่ายเรื่องเป็นโยคของส้ควรที่มาด้านนี้ถ้าองเดียวก็จะบอกสมาธิพิกเวผเวทะพิสูจน์เถิดสิจงเจริญสมาธิเถิดมีปัญญารักษาตนมีสติเจริญสมาธิอย่างหาประมาณมิได้แค่ว่าหาประมาณมิได้นะอปประมาณนังปฏิสตานังนิปกานัง มีสติหาประมาณมิได้มีปัญญารักษาตนจเจริญสมาธิยังหาประมาณมิได้ไม่ต้องกําหนดมากเท่าไรยิ่งดีทีนี้เราจะต้องมาถามซะก่อนให้เข้าใจตั้งคําถามเพื่อเลยในใจสิ่งใดอะไรก็ตามที่มาเกี่ยวข้องกับพวกเราในฐานะชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเข้าใจข้อที่คิดคิดที่กำลังกระทําคําที่กําลังกล่าว คืออะไรทำไมเพื่ออะไรตั้งประเด็นขึ้นมาเลย4อันหนึ่งอะไรสองทำไหมสามเพื่ออะไร 4. โดยวิธีใดตัวของครูเชิมันอยู่ตรงนี้ตัวที่สรุกตรงนี้สมาธิภาวนาคืออะไร เขียนลงไปเลยสองทำไมจึงต้องมาเจริญสมาธิภาวนาตื่นแต่เด็กลุกแต่เช้ามาถึงขนาดนี้สามสมาธิภาวนานี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรสี่สมาธิภาวนานี้โดยวิธีใดเอาจำได้แล้วนะไม่จดก็จำ อะไรทำม่เพื่ออะไรโดยวิธีใดและจะได้เห็นเป็นประเด็นที่ชัดเจนตารานตารานแล้วก็ลงมือการทำให้มันถูกต้องพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญการปฏิบัติที่ผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นของคารวาะหรือของพระเสียเวลาจะมีโทษอีกด้วยเรามาพูดประโยคแรสกสะกบาสมาธิภาวนานี้คืออะไร เพียนแต่คำเียนี้ก็ไม่ใช่จะเข้าใจง่ายๆเด็ดนะสมาธิเป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าสะมะอ า, อาธิแล้วมาต่อกับเป็นอาธิเป็นสมาธิสะมะแปลว่าสม่ำเสมอสม่ำเสมออาทั่วอาทิยิ่ง แต่มาต่อกันสามคำเนี่น้ 3, ํามบาลนี่มาต่อกันเป็เดียวเป็นสมาธิเพราะว่าการทำมันมั่นคงสม่ําเสมอปกติอย่างยิ่งแห่งจิตใจมันช็อตตรงไหนสมะสม่ําเสมอพอดีทุ่นทั่วอาเนี่ยไปว่าทั่วอาทิยิ่งสม่ําเสมอปกติมั่นคงอย่างยิ่ง นั่งสมาธิกับนั่งมันมั่งคงแต่ท่านยิงบอกว่าให้นั่งขาตาหมัดเข้ามามันจึงเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ได้มันนั่งคงในสมาธิเอียงหน้าโยกหลังมันก็ไม่ล้มมันรับน้ําหนักได้ทั่วภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าซ i t t i n g balance นั่งให้สมดุลสมดุลก็จะเป็นภาษาบาลีอยู่ดีๆมาจากสมัครตุลาสมัครตุลาแปลงต่อเป็นดอไปเป็นสมดุล สมาวก็ว่าสม่ำเสมอตุละกชั่งตัวให้เกึงก่งกางสมาอาธิเป็นสมาธิแต่ว่ากระทํำมันส ม, ม่ําเสมอมั่นคงอย่างยิ่งทางกายและจิตอ น, นี้เราเน้นไปที่จิตนะเรามองไปที่จิตเขา้าใจเลยนะสมาธิภาวนาคืออะไรทีนี้ยังมาถึงคําว่าภาวนาด้วย ตอตัวภาวนาตนภาวนาสมาธิภาวนาคืออะไรสมาธิภาวนาคือการพัฒนาจิตให้มันเกิดความมั่นคงซื่อตรงอย่างยิ่งมั่นคงดำรงมั่งเพราะว่าภาวนานี้แปลว่ากระทําให้เกิดให้มีพวีตาพระโมรีกาตาให้ยูอบอกว่า จะตัดโซ่ผีกบีสมาทิงพวีท่าพวีตาพรวงลีกตาสมาหิโตจะธาภูต่างประชานติทีกสุดทั้งหลายเธอจงเจริญสมาธิเธอเมื่อเจริญให้มากกระทั่มให้มากแล้วพวีตาพระวงลีกตาแปลว่ากระทั่มากเจริญมากแล้วสมาหิโตยะธาภูต่างปาัญญาติเมื่อจิตของเธอตั้งมั่นแล้วเธอจะตามรู้ตามเห็นสิ่งที่หลายตามที่มันเป็นจริงผ่านไปแล้วนะ สวัสิที่ภาวนาคืออะไรภาวนาแปลว่าการทําให้มันเกิดมันมีมันดีมันงามขึ้นตรงกับภาษาสมัยใหม่ที่เขาเรียกว่าพัฒนาอย่างพัฒนาถนนอนนทางถนอนอทางขึ้นมีขึ้นมาพัฒนาป่าให้ป่ามีขึ้นมามันมาถึงบวกขางลบเลยนะถ้าป่าไม่มีปูป่าขึ้นอย่างนี้เรียกว่าพัฒนาให้มีป่าถ้าป่าลบๆทางป่าถิงก็ยังเรียกว่า วัตถิตกพัฒน์นวมังค์เดียพัฒนาส่วนเกินอย่างผมอยู่ในหัวผมมากภาษาสัพพราชาพระราชาตัดผมวเกศวัฒโนไปพัฒนาเกศคือตัดผมพระราชาน่ะมันมีทั้งตัดทั้งทมส่วนเฟอร์ส่วนเกินหรือว่าส่วนขาดส่วนส่วนไม่มีเอามาเพิ่มควาพอดีจึงมีคําว่าภาวนาก็ทําให้เกิดให้มีให้ดีให้งาม ถ้ามีมันไม่ดีไม่งามก็ตอบอย่างนี้ที่ชื่อว่าพัฒนาวัฒนภาวนาเป็นกรรมส่วนวัฒโนพัฒนาตัวนี้เป็นผลจากการการะทำนั้นฝรั่งเขาเข้ามาถึงการการะทำเขาจึงแปลว่าดี v ว l o p ปเม t ถ้ามองถึงผลเขาจะใช้คำว่าก o G R O W T H g o w สว่างสวยรุ่งเรืองนัึกษาของจะเก่งหมดเลยไม่มีใครตดเลยเอาไปเลยนะประเด็นหนึ่งนะสมาธิภาวนาคืออะไรต่อมาสมาธิภาวนานี้ทำไหมตัวนี้ทำให้มันหนักแน่นออกไปว่าทำไหม จึงจะต้องมาเจริญสมาธิภาวนาเมื่อกี้เข้าใจแล้วนะประเด็นแรกสมาธิภาวนาคืออะไรประเด็นต่อมาก็คือว่ า, มาสมาธิภาวนานี้ทำไมเราจึงจะต้องมาเจริญสมาธิภาวนาจีงต้องมาอดตาเครับตานอนมาทรมานทรารกรรมเข้าใจออกอย่างนี้เพราะเราต้องการผลจากจิตใจนี้ อยากจะมามาพัฒนาจิตนี้เพราะตัวจิตนี้เป็นตัวบุรณาการทั้งหมดของชีวิตชีวิตที่เรานั่งอยู่เดีนี้เป็นอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้ที่ยังไม่ตายนี้ดําเนินไปอยู่อย่างใ น, ในขณะนี้มันไปด้วยจิตดวงเดียวเป็นโมตีเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวดำรองอยูพาเกิดพาตายพาไปเกิดใหม่เกิดมาตายก็เพราะจิตดวงนี้ ชีวิตตั้งอัตภาโวจะสุขทุกข์าจะเกวราเอกจิตาสมัยุตาระหุสวัตริกขันจุลาสีติสาชาตานิขปังติธันติเยมรงณนาเทวะเตปิชีวตินาเสวหิจิตหิสมาหิตาว่าภาษาบาลีเน่ยก็กินเวลาถ้าไม่ว่าก็คิดถึงพระเจ้ารับผิดชอบตามคําสั่งสองของท่านซึ่งมันแปลว่า ชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลสุขทุกข์หาเจเคบาราเอกจิตตสัมมุตาลภูสโวติเตขนโนความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวเอกจิตตสมาจุตตาประกอบด้วยจิตดวงเดียว จุราสีติสาสนาสานิกับปังติฐานติเยมารุนะเทวะเตติชีวตินาเทวหิงชีเตหิสมาหิตาเทวดาเหล่าใดจะมีอายุยืนยาวตั้งมันอยู่ได้ถึงแปดหมื่นสี่พันพันเก่าก็อยู่ได้ด้จิตดวงเดียวเทวดาก็ อ, อยู่ที่จิตดวงเดียวไม่ได้อยู่ถึงสองดวงถ้าว่าอย่างนี้เขาจะขัดกันกับด้านพระพร ะ, พระพรพิธรรมอันนี้ด้านพระโสด มหานิะเทศละเอียดมากภาษาลีบดพระพุทธเจ้าหันตาไปในมหานิะเทศมันละเอียดมากแต่หาาา้าในในที่ทมาหลายดวงแปดสิเก้าดวงร้อยี่สิบเอ็ดวงเจรเสร็มันมากแต่ที่นี่บอกเอากจิตตาสมายุต่าและมุสวัตริจขโนจุราสีติาสาสานิกะปังติทัณติเยมโรนะเตวาเตปิชิบาเตนะเทบเทบหิจิเตหิสมายิตา ความสุขความทุกข์ขังมวลชีวิตความเป็นอยู่และความเป็นไปล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวเทวดาเหล่าใดจะมีอายุยืนยาวอยู่ได้ถึงแปดหมื่นสี่พันกับไม่ต้องว่าปีนะว่าเป็นกับเลยจราศีศรีสานิกับปังติทันติเยมรูเทพเหล่าใดจะตั้งมั่นอยู่ได้ถึงแปดหมืนสี่พันกับ เขาก็จะอยู่ด้วยจิตดวงเดียวไม่ได้อยู่ถึงสองดวงตายไปแล้วมาเกิดใหม่จนกว่าจะพัฒนาจิตดวงนั้นหมดเยื่อใยอะไรคือเยื่อใอยยางอยู่ในเมล็ด้นแต่ขายายตัวแตกหน่อจอแหนงขึ้นมาใหม่นั่นคือการเกิดของพืชถ้าเรียกยางของพืชว่าสีเนห์ฮแต่คนเรามียางยางคืออะไรสีเนหันจะระทูประยาง ความเสน่หาคือเยื่อใยอย่างความรักความผูกพันบุญและบาปเหล่านี้เป็นอย่างตาปเสน่หาบุญยเสน่หาอย่างแห่งบุญคือความดีย่างแห่งบาปคือความชั่วจะทําให้จิตใจนี้เกิดมาได้อย่าหวังเลยว่าตาแล้วจะไม่ได้เกิดจะนบจนมือเป็นหอนปาตันทะตัวด้อยผู้ขาเกิดเด้อต่างแห่งเกิดพอเกิดจะได้ไดายเนื้อตุ้ตุ้ยอยู่ มันนังอยู่ผิดักเบาดแแต่ไ้ายเธอเรามันฝึนังอยดีรักเมื่อเราด้วยเถดนั่เทไร่นียจิตมันรับมันลักเก่าคืนไปบ้านแล้วไปหาลูกหาภัวหาเมียมันในเฮือดยางตัวนั้นแหละพาไปเกิดทีนี้ถามว่าทำมจะต้องมาเจริญสมาธิภาวนามาพัฒนาตัวนี้พัฒนาจิตตัวนี้ที่มันจะพาไปพามาพาไปเกิดพาไปตายพาไปนี้พาก็ตัวนี้พัฒนาให้หมดอย่างซะก่อน มานั่งสมาธินี้เต่เดินภาวนาให้มันเกิดอย่างน้อยมาเคี่ยวอย่างให้ย่างชั่วมันมันเรือน้อยลงน้อยลงน้อยลงเห็นโทษเห็นความชั่วเห็นภัยแห่งความชั่วเห็นโทษในวันตับสงสารไม่อยากจะทําชั่วก็เห็นคุณค่าของคุณงามความดีเห็นอั ศ, าาอศรพุทลธรรมะเห็นคุณค่าเห็นเสน่ห์เห็นรสเสน่ห์อันชำ่ำใจของคุณงามความดี แต่ทำเป็นสิ่งที่ดีคิดดีพูดดีทำดีคือตอนนี้เราจะเราจะตัดจะเคี่ยวให้ให้อย่างชั่วอย่างบาปปาปลิเดหะให้อย่างบาปมัหมดไปแล้วย่างดีพัฒนาขึ้นมาใหม่พัฒนาอย่างดีขึ้นมาขึ้นมาให้มันเลยแต่ย่างดีเมื่อตายปับ๊บเม่อยากเกิมเกดมันจะไปเกิดดีเมื่อเกิดดีแล้วมาพัฒนาใหม่ถ้าพัฒนามากๆเจริญสมาธิภาวนามากๆขั้นวิปัสสนากรรมฐาน แต่วันนี้เราก็จะได้พูดกันในงานนี้พัฒนาอย่างพัฒนาก ร, รมให้ยางบาปหมดไปยางบุญหมดไปไม่เหลือได้เยื่อใอห ย, ย่ที่เรียกว่าปาปุญญาสสะปหีนัชานิชาตุปริทุตโตถอนทิ้งทั้งบุญและบาปเสียได้จากปณิธานปริธานกับตายคนล่กันนะถ้าหมดอย่างมันไม่ตายมันนิพพาน ตายไปเรื่องของร่างกายเรื่กายตายแต่ใจไม่ตายใจจะไปเกิดไปตามยางไปตามเยื่อเย่อยางถ้ายางหมดมันก็เมือนล็ดมะขามเอามาคั่วแห้งกินคนอิสานชอบกินฟันดีเขียวกรงกวงอันนี้คั่วมันแห้งนะี่ยบนยางยางมันหมดแล้วเอาไปปุ๊บก่อนี่หาหน้าหัวฝังแจ็คลอยหาพันธุบ่อกเกิดเมื่อจะเกิดได้บอกถ้าเราคั่วแห้งแล้ว เอาเมล็ดพืชที่คั่วแห้งเอาไปปลูกรดน้ำพรวนดินปุ๋ยฉําน้ํำทอกแค่นั้นก็ตามไม่เกิดมันไม่มีเยื่อใหญ่ๆที่จะมาเกิดมันตายถ้ามันยังเกิดมันก็เป็นลูกใหม่โตมาอีกก็เกิดอีกนึั่นคือมันเกิดนั่นคือมันตายมันเกิดการที่มันไม่เกิดมันสิ้นอย่างนั้นมันคือมันนิพพานนิพพานไปว่าดับในทางพืทธศาสนาหมายว่าดับกิเลส ดับปัญหาดับอุปทานดับทุกจบนิพพานไปว่าดับดับอุปทานดับวิชาดับทุกเบ็ด แ, แต่ถ้ายังมีบุญอยู่มีบาปอยู่ยังนิพพานไม่ได้เราจต้องมามาคั่วให้ให้ยางนี้มันแห้งก็เลยการเจริญสมาธิภาวนา ท, ทิ่ต้องมานั่งคั่วมานั่งคั่วยางได้ไี่ ทำ ม, มันเหีงง่ยงโลกแห่งยางชั่วหมดไปหรือตัวยางดีพอทําสมาธินนะพอเริ่มจิตเริ่มจะเป็นสมาธิระดับอุปจาระเริ่มจะคิดดีมากฟังให้ดีนะคิดคิดดีเมื่อเริ่มจิตแล้ว ม, มีสมาธินะคิดดีเรียกว่ากู้สละสังกปะเป็นธรรมาชาติที่ดีถ้าฉันกลับไป อยากจะให้บ้านดีเมืองดีอยากจะให้ผัวดีเมียดีอยากให้พระดีอยากให้เนดีอยากให้ศาสนาดีอยากให้ผู้อื่นดีแต่จะขอดีสั่งใดมันเป็นเองธรรมชาติของมันถ้าเรียกว่ากุศลสังกปะจะเกิดขึ้นแก่ผู้เจริญปฐมฌานครั้งแรกเจริญสมาธิดังเข้าสู่สมาธิแรกๆในเรียกว่าปฐมจะร่มคิดดีคิดแต่คิดดีจะไม่ได้คิดชั่วดอกอยากให้ผัวดีอยากให้เมียดีอยากให้ลูกดีอยากให้พ่อดีแม่ดี เยาก้พระดีอยากจะให้เด่นดีอยากจะมีวัดถ้าเป็นพระก็อยากจะไปสร้างวัดสร้างวายใจไ ป, ไปเทไปแนะ น, นํำคำสอนเป็นโยมคนเดียาบวช อ, อ, อีกคิดถึงเมียหน่อยเสียดายมียเสีด้พัวไปจะบวชมึงคิดเองมันดอกนี่คือกุศลสังกัปป์ยางบาปมันเหี่ยงมันเหือดแห้งแต่ยางดีมันจ ะ, จะเจริญแต่ถึงอย่างนั้นก็าตามในที่สุดเราจะต้องทิ้งทั้งดีไม่ทิ้งไม่ได้มันจะได้ไปเกิดอกีก มันจะงมีางดาณกอกพระพุทธเจ้าเหล่าพ่อเหล่าหันหมดสิ้นญางตันหาศีริหตันหาเหมือนด่างเหนียวๆทั้งหลักกรมังเขตตังกำที่กระทำเปรียบเหมือนเมืองแผ่นดินเมื่อได้เมือง น, นาวิญญาณ น, นางพิชังวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชมือวิญญาณมื่อวิญญาณ มีตระหาก็วิญญาณมีอย่างวิญญาณของเรายังยังมีอยางอยู่มเมล็ดพื้นเดียลมีอยางมันจะไปเกิดเพราะฉะนั้นการมาภาวนามาเจริญสมาธิภาวนาเพื่ออะไรแตยังถามเพื่อพัฒนาจิตดวงนี้เพื่อพัฒนาจิตจิตนี้แต่พัฒนาไปไหนเอ้าฟันตัวสุถาตัวที่สามเวลาเราอยู่เลยเดี๋ยวลยอยู่ห้านาทียังไม่สลับเราเนาะยืดไปหนาอก็ได้เมื่อกี้ สมาธิภาวนาคืออะไรพูดไปแล้วทําไมยึงต้องมาเจริญสมาธิภาวนาพูดไปแล้วเพื่อพัฒนาจิต ด, ดวงนี้ให้มันมีอย่างดีให้อย่างชั่วมันหมดไปหรือให้มันสูงสุดไม่ให้มันเหลือทั้งอย่างดีแยงชั่วเพื่อจะได้ถึงที่สุดแห่งครบที่กเกษมแห่งโยคะไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายกันไปต่อไปรุนจากวงโครจรวิญญาณ น, นี้จะได้อาสัย d o n วิญญาณนางอถฐังข้นมาขามาวิญญาณของเธอจะอัศดองเมื่อเธอสิ้นดางอัศดองเหมือนพระอาทิตย์ไม่มีที่ตั้งก็เลยว่าอาทิตย์ตกดินหรือว่าพระอาที่ย์อัศดองเขาว่าตามเรนานะว่าตามพระตามประเด็นที่นี้ก็เลยมาถามต่อไปขั้นที่สามว่าเมื่อกี้ตอบแล้วว่าจเจริญสมาธิภาวนาทำมาีะต้องมาเจริญสมาธิภาวนาก็ต่อไปแล้วเพื่อพัฒนาจิตตรงนี้เจ้าไปที่ไหนอันที่สามคำถามประเด็นที่สามว่า สมาธิภาวนา this เพื่ออะไรเอ้าจดนะถ้าใครฝากไปเพื่ออะไรมองไปที่ผลซะก่อนสมาธิภาวนานี้เป็นตัวต้นเป็นตัวเหตุเราจะเอาผลอะไรต้องได้ไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งที่อยู่ด้วยกันนี่ทั้งหมดไงชีวันนี้ไม่สนป่าสมาธิภาวนานี้เพื่ออะไรมันจะมีผลอยู่สีอย่างฟังให้ดีนะ สมานึ่สมาธิภาวนาพวีตาพระหุลีกตาทิฏฐธรรมิกสุขาสังวตติสมาธิภาวนาอบุคคลเจริญให้มากกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นทิฏฐไปวา่าเห็นทิฏฐธรรมิกสุขาภาสวีหารายะสังวตติ เมื่อจะเดินสมาธิภาวนาไปถึงระดับหนึ่งจะได้ความสุขเกิดขึ้นอย่างดืมด่มด่ำซึมซาบอารบรกลึกในจิต ใ, ใ, ในใจในทุกขณะในขณะที่จิตมีสมาธิความสุขเกิดจากสมาธิเป็นความสุขภายในไม่อาศัยบุคคลไม่อาศัยอารมณ์ามาาาภายนอกไม่อาศัยวัตถุภายนอกเราทํเอาเองได้เป็นความสุขอยู่ภานนอยในไม่อยู่ภายนอกไม่อยู่ภายหน้าไม่อยู่ข้างหลังอยู่เฉพาะภายในจะเกิดขึ้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ มีความสุขเหนือในความสุขของกล่าทุกวันในโลกวิ่งวิ่งว่อนอเฉพาะแย่งชิงความสุขคือสุขเวทนาฆ่ากันเข็นกันแกงกันเกิดสงครามอิรักสงครามอัฟกานิสถานทั้งหมดนั่นคือแย่งเวทนาแย่งความสุขสุขเวทนาแย่งวัตถุ ด, ดีเพื่อจะมาป้อนให้เกิดความสุขแต่ความสุขที่นี่นี้ไม่ต้องไปแย่งใครแล้วก็ใครแย่งไม่ได้เราให้กันก็ไม่ได้ถ้าเอาให้ได้บริจาคงมาแย่งมาแบ่งให้พวกเราหมดแล้ว ใหาบอกอาขาตาโรพิคเวต ร, ระคะ ต, ตาหนังตุ้มเฮงจิตตังกาตพังพิคสูทั้งหลายเราเป็นเพียงผู้บอกทางให้เท่านั้นแต่การกระทํากิจเป็นกิจของเธอที่จะต้องทําเอาให้กันไม่ได้ความสุขที่เกิดจากสมาธิเป็นความสุขที่ไกลห่างกับความสุขของโลกผู้ที่ประส บ, บผ่านความสุขในทางสมาธิ แต่อยู่อย่ามีความสดชื่นอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่คนเดียวก็มีความสุขไม่อาศัยความสุขจากคนอื่นไม่อาศัยอารมณ์อื่นไม่อาศัยวัตถุอื่นแต่ภายนอกมาเอื้ออำนวยให้ความสุขของพ image, วกเราอยู่ในโลกปัจจุบันหนึ่งม oui ัน <59 S 2> อาศัยคนอื่นมันอาศัยวัตถุอื่นอาศัยอารมณ์อื่นอาศัยการปรุงแต่งอาศัยการปลุกเร้าการกระตุ้นเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆอีนอนก็เซ็งก็ปลียงใหม่เพียงใหม่ปลุกเร้าไปเรื่อยๆอาศัยตัญหา ป้านให้เวญนาอาศัยเวทนาป ล, กลุกเราให้ตัณหารุรแนแรงขึ้นจึงมีการฆ่ากันได้ผัวฆ่าเามียเมียฆ่าผัวบางทีก็ฆ่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่เขาค้อนึงความสุขนี้แหละเรื่องอารมณ์นม่แห้ะอันนี้ความสุนี้ฆ่าใครไม่ได้แย่งเอาจากใครไม่ได้เกิดขึ้นมาเองซึ <c oughs> ่งจะได้ว่ากันทีหลังสองสมาธิภาวนาภาวีตาภาหุลีกตา ญาณทัศนะปฏิลาภายะสังวัตติไม่เขียนพัตาบลีก็ไดพัตตาไทายก็ได้จะได้ง่ายสมาธิภาวนาอบุคุณเจริญมากกระทำมากแล้วย่อมนำมาซึ่งญ <c oughs> าณทัศน ะ, ะพัตาบลีใช้คำว่าญาณทัศนะปฏิลาภายะสังวัตติสังวัตตินำมาคนดีชีพทู่ ภาตาปล่าเขาแปลอย่างนี้มิเดเทชันคอนชินเทชันดีว e ลโอมเอนคอนิชีฟทูแมชชกัมพายเบอร์ซุปเปอร์นอมอนคอนดิชีฟทูเป็นวันนำมาซึ่งความมีฤทธิ์มีเดชเมชชิกันพาเบอร์ซุปเปอร์นอมอนเนื้อธรรมดาาระเจ้าพะวับยานทัศนะ ยานไปว่ารู้ทัศนะไปไปเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่รู้มันจะรู้สิ่งที่คนธรรมดาไม่เห็นมันจะเห็นตาธรรมดาไม่เห็นมันจะเห็นหลับตาอยู่นีดแต่มันเห็นเห็นไปไก่เดี๋ยวเราจะได้ว่ากันวันหลังตอนหลังไม่ใช่วันนี้เดวเวลามาแล้วหอบมงแล้วเสียงนกเขามันบอกบอกมาอ่านคอนมันแล้วเมื่อเรื้อยวิสัยนะเป็นได้นะ นี่แหละตัวตัววิชาที่เรามาวิชาเจรณะสัมพน ום เจรณะหรือมันมันเนมาที่เจรณะสิบห้าเจรณะสิบห้านยจะทําให้เกิดวิชาวิชาก็มีสามบุเพนิวาสารุสติยานเป็นวิชาหนึ่งถ้าลุกชาติของหลังได้ถ้าลุกไปจนถึงเมื่อวานดอมไปถึงนู่นข้าวผพาศีธาวชาวไปมันเป็นไปเองเรื่องธรรมชาติมันจะฟูขึ้นมาไม่แปลกประหลาดเลยเป็นเรื่องธรรมดา แล้วก็จู Marvin, ่จูปาริยานตัวนี้ก็เป็นวิชาที่สองจิตรุเตวิชาวิชาศาสตร์เห็นว่าสัตว์นี้เกิดมาแต่วุ่นไรแต่กรรมอะไรแต่ประเด็นจะไปตรงน้นไปขึ้นสบายยังไงจะรู้อันนี้เป็นผลของสมาธิเหมือนกันสุดที่ที่ประเสริฐสุดอาสวัคคายาดานรู้แต่คาอาสวะหสิ้นไปอาสวะคืออะไรต้องพูดกันทีหลังมันละเอียดสิ้นไปแล้วก็มาต้องมาเกิดคือหมดดัง สิ้นอสวะคือคือสิ้นด่างสิ้นเยื้เ ย, ย, ย, ย, ย, ย, ย, ย่ใหญ่ๆด่างเป้าหมายสูงสุดตรงนีน้ตัวนี้นามาซึ่งความเป็นผู้มีฤทธิ์กิเดสมียาณัทัศนะมีหูทิพตาทิพรู้จักจิตจใจของตอนเองของผู้กันแต่ตนเองดีกว่าผู้เขารู้จักจิตใจผู้กันถ้ารู้จักจิตใจผู้กันมันไม่สามารถทาให้หมดกิเลสมันจะเพิ่มกิเลสถ้ารู้ใจจิจจตใจตนเองมันจะทําให้ซ้นกิเลส กิเลสของเราอยู่ในใจเราพาเราไปขึ้นสวรรค์พาเราไปตกนรกพาเราไปเกิดไปตายไปรู้จากคนอื่นก็ยิ่งเกิเลสเพิ่มมาไปอันที่สองสามสามาธิภาวนาภวีตาพโมริกาตาสติส ป, ปัญญายะสังพัตติสามาธิภาวนาอับุคคลเจริญให้มากกระทำมากแล้วย่อมนำมาซึ่งขอไปผู้มีสติส ป, ปัญญะโดยสมบูรณ ตัวนี้จะเป็นตัวคุมกําเนิดความทุกข์ไม่ให้ความทุกข์กเกิดได้มากคุมกําเนิดกเิดกเลสกิเลสจะเกิดม า, มากๆมันถูกคุมกําเนิดด้วยสติสัมปชัญญะมันสําคัญ น, นะดีกว่าตัวตัวม่อกี้ด้วยซ้าไปแต่มันไม่หอมหวานตัวเมื่อกี้ในคนจะชอบมากชอบเห็นเลขเห็นหวยเห็นรูปปลาเห็นเบอร์นี่นี่เลยชอบอย่างนี้แต่ตัวนี้มันเก่งกว่าตัวที่พูดเมื่อกี้นี่มันจะไปคุมกําเนิดกิเลสคุมกเนิดความทุกข์ แต่คุมก็อเนิ่แต่ยังเกิดกำนัตนะกำนัตยัมีอยู่ได้จะเกิดใหม่แต่เกิดน้อยก็ถูกตัวสุดท้ายตัวที่สี่สมาธิภาวนาพระวีตาพระโมริกตาอาสวัสสังขยายะสังพตติสมาธิภาวนาอบุคลเจริญให้มากทำมากแล้วย่อมนำมาถึงความสิ้นไปแห่งอาสวัต อาสะวะสิ้นไปคือสิ้นอย่างไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายไปสู่ผลิภานไม่ต้องตายดอกตายเป็นเรื่องของร่างกายถ้าจิตตายคือจิตจิตสิ้นอย่างไม่ต้องเกิดตายแน่ในะคือนิพพานนิพพานคือจิตตายนะไม่ใช่ไม่ใช่กายตายตามปกติในจิตไม่เคยตายมันพานไปเกิดตัวนี้แหละตัวตัวพเดชสิทตัวไฟนั่นดาวถ้าเป็นหมัดนอกมัดสุดท้ายควีตาพระโมรีกตา สมาธิภาวนาพระวีตากพระกาตาอาสวัคคายะคายะแปลว่าสิ้นในนี้ภาษาไทยมันไม่เป็นตัวของตัวเอามาจากภาษาอื่นเอามาจากขาเขมรบ้างจากลาวบ้างจากบาลีบ้างจากสันสกิตบ้างพูดอยู่ทุกวันจนจนจนเข้าใจว่าเป็นภาษาตัวเองแต่ไม่รู้เรื่องปะปานน้ำปะปาในบาลีธนาคารในภาษาบาลี ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันกีฬาดิบารีขายะที่เราไปถึงในถังหน่ะกับาดีประเทศลาวเป็นตัวของตัวเองมากภาษาลาวเนี่ยมาตรฐานไม่ใช่ลาวนินยมนะคุยด้วยนะเพราะเราเป็นลาวลาวอควาีจรินอ่ะสัมปายุคนก็คุยกันด้วยยกบปฏิบัติให้เงอาดัปเอรอาดัปเอประกาศออกมาออกมาใน อยู่ในแถบโฆษณาเขาเรียกว่าอยู่ในสปอตเขาครับประกาศรักษาสภาพแวดล้อมให้มันดีขอมืองอัตเบอร์ยุดเบิร์ตาวิึงขีเหยื่อยางสายยายอย่างแล้วนะแต่ว่าหมดหมดเวลาที่เราจะต้องมาทิ้งขยะให้เกินบ้านเกินเมืองแล้วน่ยจวาดอย่างนี้โดยเฉพาะทยแต่ประเดี๋ยวแต่พระตาลาพระตาจะขอเบดร์ตาวิึงขีเหยื่อย่างสายยายอย่างแล้วมาเป็นถิ่งขยะดิ ถามคนไทยว่าขายะคืออะไรขา ย, าายาะอุะไรกะแสดงว่าไม่รู้เรื่องขายะมันเป็นภาษาบาลีแปลว่าสิ้นขยะเปว่าสิ้นของที่สิ้นค่าแล้วไปถึงตรงนั้นมันจิ้วเรียกว่าขายะอันนี้ว่าสมาธิภาวนาภาวีตาภาวุลิกาตาอาสวะสังขยายะสมวัตินั่นมีมีขายะเข้ามาแล้วนะ สมาธิภาวนาอบูคนเจริญธรรมาการทำมั่งแล้วย่อมทาให้อาสะวะสิ้นไปคือด่างใหญ่ในจิตใจจะสิ้นไปจะไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายตัวนี้เป็นไฟนนด์ดาวของการเจริญสมาธิภาวนาของเป้าหมาสงูงสุดขอขอขอพูดเรื่องใครจะเรื่องเรื่องเรื่อ ง, อ, ง, อ, ง, อ, งอาสะวะซะหน่อยเราก็ได้ยินในคันคําแปลว่าเครื่องดองสันดานใช่ไหมพวกนักศึกษาทั้งหลาย อาสวะว่าเครื่องดองสันดานและสันดาลคืออะไรก่จักคือกันนะสันดานมาจากภาษาบาลีว่าสันตานังสันตานังภาษาไทยไม่ได้แปลเพียงแต่แปลงแปลงเอาคือสมปาน้อยแปลงตัวตอเป็นตัวดอลบนี้ี่อังออกจากหลังนอนเป็นสันดานเขาจะมาจากบาลีว่าสันตานังแปลว่าซื้ต่อซื้ต่อคนที่นิ้วคนที่นิวตีคอนเสร็ มันมันติดต่อกันอย่างนี้มันติดต่อมาหลายพบหลายชาติเป็นสันดานต่อไปต่อไปต่อไปเท่าว่าเป็นสันดานเสื่ต่อส่วนอาสวะที่มันมีอยู่ในสันดานมันเสื่อต่อมาอาไปว่าทั่วฟังกันดีสวะหลายซ้ำเพราะเราเลยเรียกว่าเครื่อนดองสันดานสรุปเลยง่ายดีเห็นภาพ เราอยู่ตรนี้แหละเอนกย่ น, นะแต่เขายินมันไปว่าไหลซ้ำอาไปว่าทั่วสวะไหลซ้ำไปทั่วอย่างสมมติว่านั่งอยู่ดีๆเนี่ยพระหนุ่มๆเนี่ยนั่งอยู่ดีๆเห็นหน้ายองสีกาสาวๆเดินมาหน้าหวานหวา น, วนผมยาวๆปากแดงๆคิ้วกงกงไหลซ้ำมันยังไหลคย้ก อ้นร่อย่างนี้อย่าพูดกับพระอย่าพูด <c oughs> นานนี้คิดว่าถ้าได้อรมแต่พระเนี่จะได้พูดกันสิทันเลยวิบพูดไม่ได้ <c oughs> เป็นโวลูาคาารับ น, น, นั่งอยู่ดีๆได้ยินไีินเสียงเพลงดังมาถ้าจโคนยังพอนี่ตานอนนั่งอยู่นั่งสมาธีนี่เขาล่ามอยู่ร ต่ว่าหัวเส้นมากจะแต่งงานก็นอนอไาหลาดเลยอู้พเอพ่อเท่าแล้วอู้เขาอกเขาเท่าเลยที่มันเป็นไหลซาดนะเขาในเล็กแล้วทวัดทำไมการทีเริญนสมาธิภาวนานี้ตัวสุดท้ายเพื Jamie, lonely, ่อทำทาตัวที่มันไหลซาดในีมันสิ้นไปจึงบอว่าพระสมาธิภาวนาพระวีตาพระบุรีกตา อาสวั ส, สังขยายยะสังวัตติการจะสมาธิภาวนาบุคคลจเจริญมากกระทำมากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำอาสวหค ส, สิ้นเพื่อจะถึงขั้นที่เรียกว่าวิญญานังอถังขมาคมาวิญญาณของเธอจะได้อสดงไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ไม่ตั้งอยู่ในโลกไห น, นลุบไปจากบงโคจรไม่มีการเกิดการตายอีกแล้วสรุอีกที่นึงจบเวลาละหมด ฟ้าแสงสว่างมาแล้วสี่ข้อที่ว่ามา น, นี้แบ่งไปสองข้อที่หนึ่งและข้อที่สองเราลอ ง, ลองทําทําโมเรสไปข้อที่หนึ่งและข้อที่สองนีสมาธิภาวนาที่กระทำไม่มากเจริญมากแล้วเป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันทานตาเห็นและข้อที่สองว่ากระทําให้มากเจริญมากแล้วเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีญาณทัศนะมีฤทธิ์มีเดชมีตาที่มีหูทิพย์ มีการรู้จักใจิตใจของผู้เรียรู้จักเห็นเลขเห็นหวยอันนี้ข้อนี้สองข้อนี้เป็นสมถะวงเล็บอะไรนี้คือเจริญแบบสมถะภาวนาส่วนสองข้อหลังเจริญให้มากกระทำใมากแล้วเป็นไปเพื่อทําสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ขึ้นคุมก่อเนิดกิเลสคุมก่อเนิดความทุกข์ให้เลือน้อยลงและข้อสุดท้ายทาอาสวะให้สิ้นไป สองข้อสองข้อสุดท้าย เ, ยเป็นฝ่ายวิปัสนาวิแปลว่าแจ้งปัสนาทำให้เห็นแจ้งและตัวสุดท้ายข้อสุดท้ายจะทําโดยวิธีใดสมาธิภาวนานี้จะกระทําโดยวิธีใดเอาไวต้ตอนตอนตอนตอนตายวันนี้เนาะโดยวิธีใดจะขอบอกให้ใจโลน่าสักครั้งอานาปนานสติกกรัมหานได้ทั้งหมดทั้งสี่ แต่นี้เป็นซูเปอรสแตนด์ดมาตรหานบริการมองฮะท่านบอกว่าการบริหารทั้งหมดมีมีอยู40่ 90, 40แห่ง40แน่งแบ่งไปสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเรียกว่าปริหารรยะกรรมฐานกรรมฐานจะต้องบริหารต้องนำไปต้องเพ่ยภาพงปอจเจร์เอจเจอร์เบลิตี้แต่อีกแบบหนึ่งการบริหารแบบมาตรฐาน เรียกว่าสัพพติกะกรรมฐานกรรมฐานที่ใช้ได้ตลอดไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นเอาอย่างรีรีใช้ได้หมดเลยจะเอาให้มีความสุขก็จเจริญสมาธิภาวนาแบบอานาปนานสติให้ดีๆให้มันเป็นๆจะเอาแบบมีฤทธิ์ปีเด็กก่เจริญสมาธิภาวนาแบบอานาปนสติให้มันเก่งๆจะเอาแบบมีสติสัมปชัญญะก็มีอยู่ทูบออกมาให้ใจในในอนาปนสติจะเอาแบบ ทำอาสวะให้มันสิ้นแปมันไหลซาในมืนเบิร์ตบ่ให้มั น, น, ม น, มนไมด้มาเกิดกันจนทนี้อาณาปานาสติยัตสะพปริปุ น, นายะถาภูเพนยะถาภูเทนเทสิตาปริปภุผังนึปริจิตายะถาภูเพนะยะถาภูเทนเทสิตาโสอิมังโลกังปภาสเส่นติอภามุตโตวัจจเตนมาบุคคลใดเจริญอาณาปานาสติให้บริบูรณ์ตามลำดับอนุ ปุเพปริจิตาจเจริญไปโดยลำดับยะถาภุเทนะเศรษฐิตาตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้แล้วโสอิมังโลกังประภาเส่นติอภาหมุตโตวจันทนมาผุคคลผู้เช่นนั้นแหละจะยังโลกนี้ให้สองสว่างเมืองพระจันโคนจรหน่อยอจะคุมเมฆฉะนั้นทำนิการถาก่ฟ้าตาวันนึงฟ้ามันสั่งแล้วก็เลยจบขอความจเจริญ ง, งอกงามในอริยะ ญ, ญ, ญาธรรม จงเจริญ ง, งอกงามขึ้นในใจิตในใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันด้วยอนุภาพแห่งเส ก, กัรปฏิปทานี้ทุกรูทุกองค์ทุกทนทุกคนเธอ